ไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่มีโรคเพราะว่าไม่ได้ให้ทานโรคในบางทีมันรุนแรงโรคบางอย่างนี่แค่ทาเนี่ยก็หายนะยาเนี่ยหมดเมื่อทาก็หายโรคบางอย่างทาไม่หายต้องกินโรคบางอย่างทั้งทาทั้งกินแล้วยังไม่หายมันต้อมีการผ่าตัดมันถึงจะหายขาดอย่างทุกบางอย่างเนี่ยทุกที่เกิดจากกิเลสเนี่ยให้ทานรักษาศิ่งยังไม่เพียงพอต้องมีการภาวนา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 มันคูอยู่การดําริจอยู่การมองและมาจากไหนอ่ะมาจากความคิดกามจึงมาจากความคิดกิเลสทั้งหลายมาจากความคิดทั้งนั้นแล้วความคิดมาจากไหนคาคิดมาจากไหนใครตอบได้ไปนิพพานความคิดมันก็มาจากจิตแต่เจถ้าไม่มีจิตจะไม่คิดหรอกแมวก็คิดนะแต่แมวตายไม่คิดอ่ะความคิดมันมาจากมันมีสองแบบความคิดมาจากจิตที่มีสติ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 ให้ทันจิตทันใจของเราให้รู้ทันความคิดที่นำเอาเหตุของความทุกข์มาสู่จิตใจเรามาลงในการเจริญสะติตรงนี้เวลาเราขาดสติมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ไปยึดติดว่าไอ้นี้เราเป็นผู้คิดเข้าไปอยู่ในความคิดเลยเอาความคิดเป็นเราเราเป็นผู้คิดทีนี้ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่นำเนอาเรื่องอย่างอื่นมานะมันเอาตัวตนของเราเข้าไปด้วยตัวตนเกิดจากความคิดนะ ตัวตนในกระชาความคิดความคิดมันก็มาจากความคิดเท่านั้นแหละแล้วเราก็ขาดสติแล้วก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งไปกับความคิดบาที่รู้นะโอ้นี่เราคิดแล้วนี่บาที่ยิ่งรู้ยิ่งคิดออกจากความคิดไม่ได้คิดที่ออกจากความคิดเอามาก็คิดอีกอ่ะคิดตอนคิดดับบนคิดเลยนะแล้วคิดครั้งแรกนี่ไม่พอใจมันไม่น่าคิดเลยใครสองคิดออกจากความคิดอันนี้ทุกหนักเขาอีก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 เราสติให้มั่งมากๆนี่แหละเอากายที่มันเคลื่อนมันไหวนี่แหละดูกายที่มันนั่งก็รู้สึกมีสติอยู่กับการนั่งการนอนการยืนการเดินก็มีสติรู้ในอิรลียบทใหญ่เใช่ไหมการเดินจงกรมท่านก็รู้คะแนนให้รู้กายในอิเลียบทใหญ่อิเลียบทย่อยจะกะพริบตาจะอ้าปากกลืนน้าลาย เหลียวซ้ายแลขวาจะจับจะช่วยให้มีสติ ต, ตามรู้ในียาบทย่อยอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตจำวันท่านก็มีรูปแบบในการเคลื่อนไหวมือไปจังหวะสี่สีจังหวะอย่างที่เราเคยปฏิบัติกันเรียก ว, ว่าจงกรมมือก็ได้เคลื่อนไหวมืออย่างมีสติ ต, ตามรู้คลิกมือรู้สึกยกรู้สึกอามือเข้าก็รู้สึก รู้สึกทุกครั้งที่มือเคลื่อนไหวนี่มีสติรู้ในความรู้สึกที่มันเคลื่อนไม่ดูเสลยใช่ไหมรู้สึกรู้สึกนะไม่ใช่รู้แบบเข้าไปอยู่ในมือนะถ้าเข้าไปในมือเดียวก็ต้องเคลื่อนเป็นอย่างนี้ไปตามมือให้เป็นแค่ผู้รู้มือเคลื่อนไหวไม่ใช่ผู้เข้าอยู่ในมือเคลื่อนไหวคือไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปจับรู้แตะแตะรู้แต่แตะใช่ไหมรู้พร้อมที่จะปล่อยมือได้ถ้าไปจับนี่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 เน้นให้มีความรู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนไหวและกระุกคใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยหลักการของท่านอาศัยรูปแบบง่ายไหมผมนี่ยกมือไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยยกได้ข้างเดียวขาซ้ายยกไม่ได้ก็เนี่ยอาศัยรู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนไหวไอ้ความพยายามที่จะทำเนี่ยมันทำให้เรามีสติเหมือนกันนะทำให้มีสติมีสมาธิมีความเคยชินที่จะเพียน ถ้าไม่พยายามทำนนมันก็เคยจินเดียไม่เพียรมันจะทอ้อทำไปก่อนสร้างความรู้สึกตัวไปก่อนแล้วมันก็จะไม่เห็นสวละเอียดของร่างกายเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของจิตเห็นรูปเห็นนามตามแับอาศัยรูปแบบก็เคยได้พูดคุยกับญาติธรรมก็มาคุยกันหลายคนมีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรม เรื่องบรรลุธรรมเนี่ยไม่ค่อยได้พูดกันหรอกเพราะคนที่ใกล้บรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ค่อยมาคุยกับผมคนที่มาคุยกับผมมักมีปัญหาเรื่องทำบมานก็นยินดีนะชอบคุยคนมีปัญหามันจะได้โชคดีว่าเรามีปัญหาเออก็มีปัญหาเราดีกับเขาหน่อยอะไรอย่างนี้นะปัญหาที่ได้พบประจําก็คือจริติแล้วจิตมันฟุง้งมันฟุง้งมันคิดมากเหลือเกินคิดจะเป็นบ้าได้นะเลยว่าปปฏิบัติยังไงมันคิดมาก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 อ่าแล้วมันอย่างกับเราจะหลุดพ้นเลยนะเคยไหมโอเวลาหลุดพลล้นเราไม่มีทุกข์แล้วสักพักเดียวเดี๋ยวอารมณ์มาแนละ้วอารมณ์มาสอบแนตะ่ตกทุกทีแต่ว่าการอ่านนี่มันรู้ทาไม่ได้ก็อยากจะปฏิบัติก็ลองหลับตาใช้กรรบริกรรมพอหลับตานอกมันก็หลับข้างในหลับแล้วก็ไหลไปเลยนะดับทุกข์ได้แล้วนิพพานในตอนหลับ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 นอนเตียงตั้งท่าจะดูจิตในเราวันนี้นะอ่านหนังสือนมว่าเทียนหลักของกรรมฐ า, านวางไว้ข้างหมอนหนะลักวางไว้ข้างอนะ่เดี๋ยวจะดูจิตเราเริ่มดูจิตตั้งแต่หัวค่ำตีสี่ยังดูไม่จบเลยเรื่องจิตไม่จบเรื่องจิตโอ้จิตนี่มันดูแล้วไม่จบเนี่ยถ้ามีผลคือมึนศีรษะปวดหัวฟุง้งซ่านท้อแท้มันคงจะทําไม่ได้แล้วดูจิตยังดูไม่เป็น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 รู้วิธีการปฏิบัติมากมายแต่ขาดครูบาอาจารย์หรือกะเรมิตรให้กําลังใจบางทีท่านก็ไม่ช่วยวเรามากมายแต่ถ้าเราสมัครตัวเป็นศิษย์หรือเคารพท่านเนี่ยเราก็มีความสบายใจมีกําลังใจรลวมเขียนนยแนะนําให้เจริญสติให้นอน อ, อนอนเจริญสตินอนลืมตาเนี่ยไม่ต้องไปวัดหรอกนอนพลิกมือเล่นเนี่ยนพลิกมือรู้สึกให้รู้สึกนะ ไม่ได้เข้าอยู่ในมือนะให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้าในาการที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวไหวตึงๆึงหนักหนักไม่มีคำพูดมันมีแต่สภาวะที่มันรู้สึกนอนพิกมือเล่นอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกให้รู้กายเคลื่อนไหวแล้วเวลามันเกิดความคิดทำยังไงให้รู้ว่ามันคิดนะอย่าไปความคิดนะให้รู้ว่าความคิดแต่อย่าไปความคิด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 รู้จัตายรู้กายมันกลับไปเห็นจิตได้แยกรูปแยกนามจิตมันตื่นนะพอจริตมากๆเนี่ยความรู้ตัวมากขึ้นความหลงค่อยๆลดลงไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปไล่ความหลงแค่สร้างภาวะที่รู้ขึ้นมามากๆหลงมันก็หายไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์กของรูปทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปเห็นทุกขของนามเห็นทุกขเวทนาที่เกิดจากรูป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 ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ไปเป็นถ้าเราเห็นความคิดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตแล้วก็จะผ่อนคลายถ้าเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เป็นกายใจแล้วก็เบากายนี้มันหนักนะยิงเดินไม่ได้นี่หนักมากเลยเพราะเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยจิตมันก็เบาเบาแบบรู้ทำไปตมาการคนขี้เกียจคิดเพราะความคิดมันกาเนิดความตัวมันขี้เกียจคิดขี้เกียจไม่ทาอะไรเลยไม่ใช่ ขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้รู้ทุกครั้งมันก็ออกจากความคิดถ้าไม่อยากจะคิดเราก็ขยันรู้เองอ้ได้หละ่ะทุกก็คลายไอความพิการเป็นเรื่องเล็กไอที่พิการเดินไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าระคั่สิวหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองมีค่าเท่ากันมันคือเรื่องของกายยกให้กายไปลาออกจากความพิการมาอยู่กับความรู้สึกตัวทุกก็ลดเลยมันเรื่อยๆเห็นไหมจากการที่เหตุนะ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 ไม่มีรูปแบบไม่มีคนเข้านิพพานไม่มีใครมีแต่สติปัญญาเท่านั้นที่จะถึงธรรมะไม่มีใครถึงธรรมนอกจากธรรมนั่นเดียวถึงธรรมทอร์สลามธรรมกับทอร์รอรมอถึงธรรมไม่มีคนนะมันไปไกลแต่ตอนนี้ต้องอาศัยอย่างนี้อาศัยรูปแบบไปก่อนเพราะฉะนั้นการเจอสติเนี่ยอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ย เราสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ชีอิ้วจําวันเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไม่มเราลิ่งวิธีเนี่ยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากไม่ต้องหลับตาเรารู้ได้ทันทีเลยทุกั้รที่กลายเคลื่อนไหวถ้าเรารู้กายได้รู้เลยถ้าสติมันไม่เกิดถ้าติตมันคิดก่อนรู้ติตก็ได้อะไรเกิดก่อนรู้ก่อนนั่นแหละคือฐานที่ตั้งของสติถ้ามันมั่วไม่รู้จะรู้อะไรก่อนมารู้กายไว้ก่อน บางทีมันมั่วนะเอ้ยไอ้นั่นก็รู้ได้ไอ้นี่ก็รู้ไ ด, ไได้แล้วจะรู้อะไรดีมั่วดูกายก่อนอ่าดูกายตั้งหลักเดี๋ยวค่อยไปเห็นแนวคิดทางในกายนี่มีหลายอย่างในกายเนี่ยมีทั้งเวทนามีทั้งความคิดมีทั้งความง่วงมีทั้งความเบื่อมีทั้งความเจ็มมีทั้งนั้นมีให้เราดูทั้งนั้นหลวงพ่อคำเขียนบอกว่ า, วามันมาเข้าแถวให้เราดูเลยเกิดตรงไหนก็รู้ได้หนงไหก็รู้เลยในจิวจาวันเนี่ย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 เพลิการคิดดีคิดดีก็เหนื่อย น, นะถ้ามีสติรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดเนี่ยมันก็ตัดความคิดที่ชั่วขนาดหนึ่งจิตก็ได้พักผ่อนแวบหนึงเดี๋ยวเมื่อคิดอีกนะเราคอยมีสติรู้เนี่ยเวลามันคิดรักอ๋อเนี่ยจิตเรามันคิดรักเนยพอคิดไดงก็าหายไปจิตได้พักผ่อนเวลามันคิดกโกรธอ๋อสติก็รู้ว่าอันนี้มันโกรธเนี่ยนะจิตมันก็หายโกรธไปช่วขนาดหนึง่งเพราะมีสติคอยรักษาอ ย, อยู่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 สติเอามาห้ติดโกรธเราไปห้าติดถ้าฝึกบ่อยๆนี่โกรธเหลือแค่ติดเดียวถ้าฝึกจนชำนาญ น, นี่พอโกรธปั๊บดับทันทีเลยคิ้วจำมันนี่ต้องใช้โดยเฉพาะคนที่ติดอารมณ์ ต, มติดอารมณ์เนี่พอติตนาเข้ามันจิตตกได้เหมือนกันนะบางคนซึมเศร้าจิตตกถ้ามีสติพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันต้องอยู่คนละด้านกันคนที่ติดอารมณ์ถ้ามีสติสักหน่อยมันก็ออกจากอารมณ์ได้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 น้องเข้ามาเห็นนะพี่ทํำไรอนอนยาคิวเลนอะไรที่มันทํายากๆสติสมาธิมันมากเหลือเกินพยายามไงก็ทำไงได้มันช่วยไม่ได้นะเคลื่อนไหวได้แค่เนี้ยก่อสายแค่เนี้ยมันก็ใช้ประโยชน์มันต้องหาเรื่องเคลื่อนไหวข้อผมนี่พับเอาอย่างดีเอาจับมาคลี่แล้วก็พับอย่างช้าๆพับเสร็จอาคลี่ใหม่พับอีกมันเหมือนคนบ้าแต่มันก็ได้สติมันอยู่กับตัวเราออกจากอารมณ์ได้เนี่ยวิธีง่ายๆ และยิ่งอย่างจริยธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวได้มากกว่าผมอีกต้องออกจากอารมณ์ให้ได้เดีย๋ยน้อยเครียดตรงนี้เอาลุกไปเปิดหน้าต่างมันก็หายแล้วเครียดที่หนึ่งอาุกไปดื่มน้ําเข้าห้องน้ำแบบไม่มีผลก็ได้เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นไว้ก่อนไม่รู้ว่าไม่ได้กินอะไเปิดไว้ก่อนแล้วก็ปิดต้องตามรู้เลยนะไม่ใช่ว่าเครียดตรงนี้เกิดไปเปิดตรงนู้นแต่ก็ไอ้ความเครียดอยู่ยังส่งใจไปเครียดเหมือนเดิมสติตามรู้ไปการเดินเข้าห้องน้ําอย่างมีสติ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 ถ้าเรามีสติมันคิดอยากจะเสพไม่ทำตามมีสติรู้ในความอยากความอยากมันก็หายไปมันตัดตรงที่ความอยากด้วยสติเลยแล้วสิ่งเสพติด ท, ทุกอย่างเนี่ยมันหลุดตรงนั้นหลุดเพราะสติรู้ทันอใบพวกต่างๆเนี่ยมันเสพสติตั้งนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตปรามันมีมากกว่านี้อีกลองเอาไปใช้ดูหลายคนก็ได้ผลมิ่งม า, มากคนที่เป็นไมเกรนคิดมากมเครียด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 สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้เราต้องมั่นใจแล้วคนที่ทําได้แล้วมีหลวงพ่อเทียนก็ทํามาแล้วก็ได้ผลและผมก็ได้พบกับญาติธรรมที่ททปฏิบัติแบบเนี้ยได้ผลทั้งหลายคนตรรกะแบบเครื่องหมายแบบเนี้แก้ปัญหาชีวิตได้เยอะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ก็มีมากที่สําคัญที่สุดคือเราก็ทําได้มั่นใจเราก็ทําได้ ถ้าเรายังมีกายเคลื่อนไหวและมีสติรู้ได้อยู่แล้วก็มันได้ทั้งนั้นแหละขนาดกายผงเคลื่อนไหวได้็หมดจังทำได้เลยต้องมั่นใจนะวันนี้มาก็ลำบากมาถึงก็ไม่ได้พักอุตส่าห์มาให้กำลังใจนี่ถ้าคนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่เห็นใจแล้วก็มันก็ใจดำเกินไปแนละ้วเห็นใจคือลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูอย่าพึ่งเชื่อแต่อย่าพิ่งปฏิเสธนะลองพิจารณาแล้วลองทาดู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 ก็คือเจ้าจิตก็จะเกิดบางครั้งก็จะมีอารมณ์โมโ ห, โหอารมณ์อะไรต่างๆเพราะต้องคอยดูแลลูกน้องดูแลอะไรต่างๆเนี่ยจะนี้จะต้องเจริญสติยังไงครับโอจเจริญได้เยอะแยะเลยอารมณ์มาให้รู้มากมายการที่ดูแลคนเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วดีแล้วทําด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจเห็นประโยชน์ของงานเราก็จะดูแลคนได้ด้วยจิตใจมันเป็นสุขเป็นปกติแล้วถ้าดูด้วยความเบื่อหน่ายทนทำเนี่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 นอนพิกมือวันละหกวันละเดชั่วโมง8ดชั่วโมงนอนพลิกเนี่ยมือขวามัง่งนอนจนแขนซ้ายเนี่ยกชํานาเลยนะเมื่อก่อนยกไม่ขึ้นพลิกไปขวาบั่งซ้ายมัง่งแล้วก็ใช้กับยาบุตรต่างๆดูตัวเราก็เห็นจิตเห็นความคิดหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเดือนมาลุธทำนะหนึ่งเดือนเริ่มรู้ทำรู้ทางยังไม่มาลุธทำเราทราบได้ยังไงคะว่าคือตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันเป็นความรู้สึกตัวจริงๆอะคะ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 ถ้าเป็นถึงพระครูนะถ้าอุตสาเขียนจดหมายตอบเรานอนพลิกมือเป็นภาพ ท, ท่านหันหลังให้ <c oughs> นนพลิกมือท่านก็หันท่านก็ค่อยหันมาเราก็เราไม่เคยหน้ามั่ความเขียนเลยหันมาหันมาต่านชี้หน้าให้รู้สึกตัวสะดุ้งเพือกโอ้โหนี่เราหลงมาตั้งนานไม่น้กอาท <c oughs> ิตย์แรกนี่หลงเยอะเลยอาทิตย์ที่สอนเริ่มเริ่มตั้งใจ เอาละเรจะตั้งใจทําโอ้ตั้งใจเพ่งไปในมือมันไม่อยากคิดใดและอะไรก็ไม่เอาเอาทุกอย่าง เ, าเลิกทุกอย่างหามาพริกมือเจตนารู้เพง่งดูมันดีนะสงบเงียบแต่มันเครียดมาเครียดไม่ใครอยากจะคุยใครไม่ยอยากจะมองหน้าใครกลัวธรรมะจะหลุดแล้วเพ่งแล้วมันก็เครียดคือมันเข้าไปเลยอันแรกคือหลงไอ้สองอเพง่งมันเริ่มหย่อนข้างตึงข้างเอมันก็ไม่ถูกนะ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 เราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายพอเราวางไม่ใช่ว่าเราเห็นกายส่วนหนึ่งแล้วเราเห็นเวทนามันติดอยู่กับกายเวทนากายมันติดอยู่กับกายคอพิการอยู่กับกายสิวฝ้าต่างที่กายทั้งนั้น <Yeah. S 1> ไม่ใช่อยู่ที่เราเสร็จ แ, แล้วมันจะมีความคิดอีกอย่างคิดที่มันต่อจากทุกเวทนามันน่าจะหายนะมันน่าจะเดินได้อะอ๋อเรามีความคิดน้อ ย, อยมากกว่าคิดน้อยอ ย, ยังไม่เท่าไหยนะเเราต้องรีบปฏิบัติมันจะได้ปนทุกรีบบวช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 ไม่มีอาวุธใดที่รู้เท่าทันจิตใจได้กับสตินั่นถ้าถูกสติบ้าก้าเนี่ยสิ่งนี้ก็จะหลุดล่วงไปแต่สังกันที่ว่าเขาอยากจะออกจากอารมณ์แบบนั้นไหมอยากจะออกจากสิ่งที่เขาเสพติดไหมอยากจะออกจากเกมไหมอยากสักสิปร์เซ็นหรือไม่อยากสักเก้าสิบางทีอยากนะแต่ว่าไม่พยายามทํามันก็ไม่หลุดออกม า, ม, านะมันต้องมีความพอใจที่จะออกแล้วก็มีความเพียรที่จะออก แล้วต้องมีใจจดจ่อที่จออกจากสิ่งนั้นแล้วต้องค่อยควรให้เป็นอิธิบาทสีไปแล้วก็มันลุดออกจากทุกอยางอิทธิบาทสีไม่ครบพออยากปั๊บไม่เพียงพราะไม่เพียงมันก็ไม่มีการจดจ่อแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมันก็ได้แค่อยากความอยา ก, ยากย น, า น, นั้นไม่ยากแล้วขอบพระคุณมากค่ะซีดีเคสอาจารย์คะขอรื้อถามจอมใจคนเมื่อกี้นิดนะคะว่าถ้า จะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้คนที่ชอบเสพมากลายเป็นไม่เสพเนี่ยคือว่าคนที่ติดอะไรจิ้เกมติดการพนันเนี่ยค่ะแล้ว บ, บางครั้จะรียสติเนี่ยแต่เขาไม่มีความปรักหรือความเพลินที่อยากจะออกจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ยากมากจริงๆเลยเราจะบอกทึงโทษยังไง ก, ก็ก็ไม่สนน่ยแต่เราก็อยากจะช่วยค่ะท่านอาจารย์เราจะช่วยยังไงคะก็มีครูก็บอกว่าใ้เด็กปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเด็กพูดถึงธรรมะมัน ก, ก็หลับล่วงหน้าแล้วเราต้องมีอุบาย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 มันก็พลาดจิตออกจากอารมณ์ที่เรามันจำเจได้เปลี่ยนไปแล้วก็ใช้สติตามรู้ไปสิหลอือย่างผมเนี่ยปฏิบัติในง่วงนอนทำยังไงลุกไปได้จงกลมเหรอไม่ได้ดแต่พลิกซ้ายพลิกขวาบางทีง่วงทางซ้ายนะพลิกไปทางขวาอมเข้าทางง่วงก็มีนะต้องมอีอุบายทำตาโตๆโตมองลอดระางบไปมองไกลๆเปลี่ยนระดับสายตาสบายก็หายง่วงนั้นต้องรู้จักเปลี่ยนจะแก้ไข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 ถ้ารู้แล้วก็จิตมันผ่อนคลายได้หลับได้แบบใช้ได้ถ้ารู้ยิ่งรู้ยิ่งปวดเลยมันไม่ใช่มันค่อยเป็นผู้ปวดถ้ารู้มาจิตออกมาเห็นความปวดแล้วจิตผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ก็ถือว่าปฏิบัติกริติเป็นแล้วเวลาที่หนูเจ็บป่วยอย่างเงี้ยหนูจะใช้วิธีเนี้ยค่ะเข้าไปดู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 ก็ต้องดูไอ้ผู้ดูมันก็ไปแน่นอนมันก็ละต้องต้องอยากดีแล้วดีแล้วปฏิบัติดีแล้ว